เกียรติคุณของพระพุทธองค์พระเกียรติคุณของพระพุทธองค์ขจรขาจายไปทั่วทั้งจั ก, กรวาลโดยเทวดาและพรมในภพภูมิต่างๆที่ได้มาฟังพระธรรมเทศนาในมนุษย์โลกหรือบางคราวพระพุทธองค์ได้เสด็จไปแสดงธรรมในโลกอื่นบางครั้งพระพุทธสาวกได้ไปแสดงธรรมในโลกอื่นหรืออดีต พระพุทธสาวกที่เสียชีวิตไปแล้วบังเกิดในเทวโลกหรือพลมโลกเราไม่จำเป็นจะต้องอธิบายความให้มากความเกี่ยวกับพระเกศติคุณที่แพร่ไปโดยวิธีแรกแต่สำหรับสองวิธีหลังนั้นอธิบายได้ว่าพระพุทธองค์ทรง ท, งท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏขณะที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ได้ไปบังเกิดในภพภูมิต่าง ยกเว้นสุทธาวาดภูมิ5ซึ่งเป็นภูมิของพรหมอนาคามีเท่านั้นพระโพธิสัตว์นั้นตามปกติย่อมบรรลุมรรคผลในชาติสุดท้ายดังนั้นพระองค์จึงไม่เคยไปบังเกิดในสุทธาวาดพรหมเลยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ต้นสาละในป่าชื่อสุภาคะใกล้เมืองอุ ก, กัตถะ พระองค์ดำริว่าเรายังไม่เคยไปยังพรหมโลกชั้นสุทธาวาสในสังสารวัตรที่ยาวนานนี้จึงได้เสด็จไปด้วยพุทธานุภาพเมื่อเสด็จไปถึงสุทธาวาสพรหมชั้นแรกชื่ออกวิหาพรหมจำนวนหลายแสนก็พากันมาถวายสักการะและกราบทูลว่าพวกตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นต้นเรื่อยมา จนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้และได้มาเกิดในชั้นสุทาวาดพรมเพราะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีในบรรดาพรมในชั้นนี้มีบางองค์ที่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นสาวกของพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าพระองค์นี้อีกด้วยหลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปยังสุทาวาดพรมชั้นที่สองเป็นต้นตามลำดับ คืออตาปาสุทัสสาสุทัสสีและอากานิถาก็มีพรมหลายแสนมาถวายสักการะแล้วประกาศชื่อาศาสดาของตนเช่นเดียวกันพรมเหล่านั้นได้บังเกิดในชั้นที่แตกต่างกันด้วยอินทรีย์ที่มีกำลังต่างกันคือพรมชั้นอวิหามีสัตทินีแก่กล้า รมชั้นอตตปามีวิริอินเซแ ก, ก่กล้าดังนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมสุทาวาดพรมทั้งห้าชั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทรงมีชื่อเสียงในภูมิที่เป็นอยู่ของอดีตสาวกได้อย่างไรแต่ที่น่ากังขาก็คือพระเกียติคุณได้แผ่ไปในอรูปพรมได้อย่างไร เพราะอารูปพรมมไม่สามารถมาเฝ้าพระพุทธองค์ได้และพระพุทธองค์ก็ไม่ได้เสด็จไปที่อรูปภูมิในเรื่องนี้อธิบายได้ว่าอารูปพรมมที่ได้เคยปฏิบัติพุทธธรรมในกรรมภูมิหรือรูปภูมิมาก่อนแล้วได้บรรลุมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งในสามชั้นแรกและตายไปในขณะเข้าอารูปฌานสมาบัติ ก็อาจไปบังเกิดในอรูปประภูมิได้หากประสงค์เช่นนั้นเหล่าพระอริยชนที่เป็นรูปประภูมิเหล่านี้ทราบเกี่ยวกับพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธองค์และยังทราบด้วยว่าจะสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาจึงทําการเจริญวิปัสสนากําหนดรู้สภาวธรรมทางจิตจนได้บรรลุอรหัตผล ดับขันธ์ท่าปรินิพพานในภพม์นั้นๆตามสมควรคือถ้าหากได้บรธธรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในชั้นอากาสานัญจายตนะโพม์ก็จะดับขันธ์ท่าปรินิพพานในภพม์นั้นถ้ามีได้บรรลุอย่างนั้นก็จะไปบังเกิดในวิญญาณัญจายตนะโพม์อากินจัญญาัตนะโพม์หรือเนวสัญญานาสัญญายตนะโพม์แล้วดับขันธ์ทปรินิพพาน ในภูมิเหล่านั้นพระเกียรติคุณของพระพุทธองค์จึงได้แผ่ไปในจักรวาลด้วยอาการอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธคุณและพุทธคุณคำทั้งสองคำนี้เป็นศัพท์ในภาษาบาลีหมายถึงคุณธรรมคือปัญญาอย่างรู้ธรรม จึงเกิดมีคำถามว่าคำสองคำนี้มีความหมายต่างกันอย่างไรตอบได้ว่าคุณบทว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะหมายถึงการเป็นพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความพยายามของพระองค์เองโดยทรงแทงตลอดอริยสัจสี่ด้วยปัญญาในอริยมรรคส่วนคุณบทว่าพุท ธ, ธะ หมายถึงภาวะที่พระองค์ทรงมีปัญญาที่อย่างรู้ธรรมทั้งปวงทั้งที่เป็นสังคตะธรรมธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งและที่เป็นอสังคตะธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งด้วยพุทธญาณคือญาณของพระพุทธเจ้าซึ่งจำแนกเป็นปัญญาในอริยสัจสี่ปฏิสัมพิทายานสี่ และอาสาธารณยานหกที่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไม่มีในพระอาหารหันตสาวกทั่วไปคือหนึ่งยานที่ประกอบด้วยพระมหาการุณามหาการุณาสมาปฏิยาน 2. ยานในการแสดงยะมกะปฏิหารยมกะปฏิหาริย ะ, ะ, ะา ย, ายาน 3. ยานรู้เห็น ความคุ้นเคยของจิตและอนุสัยกิเลสอสยานุสยายาน 4. ยานรู้เห็นความยิ่งและย่อนของอินทรีย์อินทริยะประโรปริยติยาน 5. ้ายานรู้เห็น ย, ยุทธรรมทั้งปวงสัพพัญยุตยาน 6. ยานที่ปราศจากเครื่องขัดขวางในการรู้เห็นธรรมทั้งปวง อานาวรณญาณกล่าวโดยสังเกตสังคต ธ, ธรรมธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งคือรูปนามหรือขันห้าที่เกิดขึ้นเพราะการประชุมกันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลายหรืออีกในหนึ่งคือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเพราะได้ปัจจัยที่เหมาะสมเช่นเสียงเกิดขึ้นได้เพราะการกระทบกันของวัตถุ แข็งแข็งสองสิ่งเช่นไม้หรือเหล็กเป็นต้นเสียงจึงจัดเป็นสังคตะธรรมส่วนธรรมที่ตรงข้ามกับสังคตะธรรมก็คืออสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งซึ่งแบ่งเป็นหลายอย่างทั้งที่เป็นปรมาตและสมมติบัญญัติอสังคตะธรรมที่เป็นความจริงโดยปรมาต คือนิพพานส่วนอสังคตตธรรมที่เป็นความจริงโดยสมมุติบัญญัติคือรูปร่างสันฐานหรือคำสื่อความหมายพระสัพปัญญตยานของพระพุทธองค์เป็นปัญญาที่ยังรู้ธรรมที่เป็นสังคตะและอสังคตะหรืออาจจำแนกเป็นปัญญาที่ยังรู้ยยธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พึงรู้แจ้งมีหประการคือ 1. สังขารนามธรรม53ได้แก่จิตเจตสิก52นิพพานนารูป58 2. บวิการรูปหวินยติรูปสองละหุตามุทุตาและกรมมัญญตา 3. ลักษณะรูป4ี่อุปจยะสัน ต, ติ ชาตตาและอนิจจตาสนิพพานคือสภาพดับกิเลสและกองทุกห์ 5. บัญญัติคือสมมติที่ชาวโลกหมายรู้กันเช่นภูเขาเป็นต้นแผ่นดินเป็นต้นอาสาธารณยานที่สามและที่สี่เป็นยานที่ยังรู้อัธยาศัยและอุปนิสัยของเวนยศัสตว์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พุทธจักสุและด้วยพุทธจักสุที่เห็นสรร พ, พสิ่งนี้จึงทรงเลือกบุคคลที่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้แล้วทรงสั่งสอนธรรมที่เหมาะสมแก่อุปนิสัยในการที่เหมาะสมทำให้ผู้ฟังธรรมสามารถบรรลุธรรมได้เร็ว อริยสัจสี่โดยสังเขปในคัมภีร์ทางาศาสนากล่าวว่ารูปนามทั้งหมดยกเว้นตัณหาในกรรมภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเป็นอริยสัจ ท, ที่หนึ่งคือทุกขสัจตัณหาอันเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอริยสัจ ท, ที่สองคือสมุทยัทยสัจนิพานอันเป็นความดับทุกข์ เป็นอริยสัตว์ที่สามคือนิโรธาสัตว์อริยมรรคเป็นทางอันปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอริยสัตว์ที่สี่คือมรรคสัตว์คำพีอภิธรรมมัธสังคาะได้กล่าวไว้โดยย่อว่าทุกขังเตภูมิกังวัดตังวัตตาสงสารที่เป็นภูมิในภูมิสามชื่อวัตุขหมายความว่า กิเลสวัตคือกิเลสมีอวิชชาตัญหาเป็นต้นกรมวัตคือกุศลและอกุศลพร้อมทั้งวิปากวัตคือวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาวัตตทั้งสามนี้ถูกความเกิดดับบีบขั้นให้แปรเปลี่ยนอยู่เสมอจึงจัดเป็นทุกขสัตผู้ปฏิบัติธรรมสามารถรู้แจ้งอริสัตทั้งสี่ ด้วยประสบการณ์ของตนเองโดยการเจริญวิปัสนาเขาย่อมรู้ได้จากประสบการณ์ที่ได้มาจากการปฏิบัติว่าสภาวธรรมทั้งหมดที่มีการเกิดขึ้นและดับไปนั้นเป็นทุกข์ความผูกพันยึดมั่นในสภาวธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุเกิดของทุกข์ความดับของทุกข์และเหตุเกิดของทุกข์เป็นนิพพาน และทางปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานเป็นมักการสงเคราะห์หลักปฏิจจสมุปบาทลงในอริยสัจิ์4ในที่นี้เราอาจสงเคราะห์หลักปฏิจจสมุปบาทที่ประกอบด้วยองค์ธรรม12อย่างลงในอริยสัจส์4ดังนี้คือ ชราและมอรณะชราและมอรณะเป็นทุกขสัตร์ชาติอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทยศสัตร์การดับทั้งเหตุและผลชาตชราและมอรณะเป็นนิโรธศัตร์การยังเห็นความดับทุกข์เป็นมรคศัตร์ชาติชาติเป็นทุกขสัตร์กรรมอันเป็นเหตุแห่งชาติเป็นสมุทยศาัตร์ การดับทั้งเหตุและผลกรรมและชาติเป็นนิโรธาสัตกรรมกรรมเป็นทุกขสัตอุปทานเป็นสมุทยาสัตการดับทั้งเหตุและผลอุปทานและกรรมเป็นนิโรธาสัตการยังเห็นความดับทุกขเป็นมรคสัตอุปทานอุปทานเป็นทุกขสัตตัณหาเป็นสมุทยาสัต การดับทั้งเหตุและผลตัณหาและอุปทานเป็นน mm. ิโรธาสัตการญยังเห็นความดับทุกขเป็นมัคคสัตตัณหาตัณหาเป็นทุกขสัตเวทนาเป็นสมุทญยสัตการดับทั้งเหตุและผลเป็นนิโรธาสัตการญยังเห็นความดับทุกขเป็นมัคคสัตการกล่าวว่าตัณหาเป็นทุกขสัต อาจทำให้หลายคนรับไม่ได้แต่ก็มีเหตุผลถ้าเราพิจารณาถึงความจริงที่ว่ารูปนามทั้งหลายรวมทั้งตัณหาจัดเป็นทุกข์กล่าวคือตัณหาในปัจจุบันเป็นเหตุให้เกิดผลในภพต่อไปจึงจัดเป็นสมุทัยสัตว์ก็จริงแต่รูปนามที่เป็นทั้งโลกิยะกุศลอกุศลวิบาก และกิริยาที่เกิดขึ้นในพบนี้จัดเป็นทุกขสัตย์ทั้งสิ้นเพราะเกิดจากตัณหาในพบก่อนและถูกบีบคั้นด้วยความเปลี่ยนแปลอยู่เสมอดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตัณหาเป็นทุกขสัตย์ได้อย่างไรก็ตามพระอัตถคถาจารย์ได้กล่าวถึงสมุทยาศาสตร์ในหลักปฏิจจสมุปบาทว่าหมายเอาเหตุที่อยู่ใกล้กัน มิใช่หมายถึงตันหาอย่างเดียวในคัมภีอัตกถาจึงกล่าวว่าชาติเป็นสมุทัยสัตว์ของชาราและมรณะเรื่อยมาถึงเวทนาเป็นสมุทัยสัตว์ของตันหาและกล่าวต่อไปว่าผัสสะเป็นต้นเหตุสมุทัยสัตว์ของธรรมอื่นๆตามสมควรนอกจากนั้นยังสงเคราะห์ต่อไปอีกว่า เวทนาเวทนาเป็นทุกขสัตรผัสสะเป็นสมุททยศาสตร์การดับทั้งเหตุและผลผัสสะและเวทนาเป็นนิโรธาศสตร์การยังเห็นความดับทุกเป็นมรคศาสตร์ผัสสะผัสสะเป็นทุกขศัสตร์อายตนาเป็นสมุททยศาสตร์การดับทั้งเหตุและผลเป็นนิโรธาศสตร์ การยังเห็นความดับทุกเป็นมรรคศัตร์อายตนะอายตนะเป็นทุกขศัตร์นามรูปเป็นสมุทัยศัตร์การดับทั้งเหตุและผลนามรูปและอายตนะเป็นเนโรธศัตร์การยังเห็นความดับทุกขเป็นมรรคศัตร์นามรูปนามรูปเป็นทุกขศัตร์วิญญาณเป็นสมุทัยศัตร์ การดับทั้งเหตุและผลเป็นนิโรธาสัตการญยังเห็นความดับทุกขเป็นมรคสัตว์วิญญาณวิญญาณเป็นทุกขสัตว์สังขารเป็นสมุทัยสัตว์การดับทั้งเหตุและผลเป็นนิโรธาสัตการญยังเห็นความดับทุกขเป็นมรคสัตว์สังขารสังขารเป็นทุกขสัตว์อวิชชาเป็นสมุทัยสัตว์ การดับทั้งเหตุและผลเป็นนิโรธาสัตว์การยังเห็นความดับทุกข์เป็นมรรคสัตว์แม้คำพีดีกาไม่จัดอวิชาว่าเป็นทุกขสัตว์แต่เราอาจเรียกอวิชาว่าเป็นทุกขสัตว์เพราะมีอสวะเป็นปัจจัยจึงกล่าวได้ว่าอาวิชชาเป็นทุกขสัตว์อสวะเป็นสมุทัยสัตว์เป็นต้นอสวะคือกิเลส ท, ที่หมักดองในกระแสจิต จำแนกเป็นสีอย่างคือ 1. ความผูกพันในการมคุณความผูกพันในภพบ 3. ความผูกพันในทิฏฐิ 4. ความผูกพันในอวิชชาส่วนในกรณีหลังนี้หมายถึงอวิชชาในอดีตเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาในปัจจุบันดังนั้นจึงกล่าวว่าอสวาเป็นเหตุของอวิชชาดังมีพระพุทธดารัส อวิชาเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นของอาสวะบทสรุปส่งท้ายต้นเหตุสองคืออวิชาและตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดสังเขปสีวัตฏะสามสันทิ3สามองค์สิบสองการสามอาการยี่สิบ และสภาววัตธรรมที่เป็นผลห้าในปฏิจจสมุปบาทผู้ปฏิบัติธรรมที่เฝ้าสังเกตกระบวนการที่เป็นผลห้าอย่างนี้อย่างถูกต้องจะกำจัดตัณหาที่เกิดจากเวทนาสามารถทำสังสารวัฏให้สิ้นสุดลงได้กล่าวอีกในหนึ่งคือผู้ที่เฝ้าดูสภาววัตธรรมรูปนามที่เกิดขึ้นทางอายตนะทั้งห จะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนของสภาวธรรมเหล่านั้นอันหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นผลห้าอย่างมีดังต่อไปนี้ 1. วิญญาณหรือจิตมีหกอย่างคือจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณ และมโนวิญญาณสองนามคือจิตและเจตสิกอันเป็นสภาวธรรมทางจิตที่เกิดพร้อมกับจิตและรูปคือสภาวธรรมทางกายสามสลายตนะฐานที่จิตรับรู้อารมณ์ประกอบด้วยอายตนะภายในหกคือจักขุโสตคานะ ชิวหากายมโนโลและอายตนะภายในหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมรมสี่ผัสสะการกระทบสัมผัสระหว่างจิตกับอารมณ์หกอย่างคือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานาสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสและมโนสัมผัสเวทนาความรู้สึกมีสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาหรืออาจจำแนกเป็นหกอย่างตามทวารที่เกิดคือจักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดทางจักขุสัมผัสโซตะสัมผัสชาเวทนา เวทนาที่เกิดทางโสดสัมผัสคณะสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดทางคณะสัมผัสชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดทางชิวหาสัมผัสกายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดทางกายสัมผัสมโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดทางมโนสัมผัสผู้ปฏิบัติธรรมจะแทงตลอดปัญญาที่รู้เห็นอารมณ์ต่างๆเช่นรูปารมณ์สัทธารมณ์ตามความเป็นจริงด้วยการปฏิบัติวิปัสนาอย่างถูกต้องและสามารถดับตัณหาความพอใจในอารมณ์ด้วยตัดทางค้าประหารซึ่งหมายถึงการดับตัณหาด้วยวิปัสนาปัญญา ที่มีลักษณะตรงกันข้ามการดับของปัญหาส่งผลให้ไม่มีการเกิดของอุปทานกรรมภพชาติเป็นต้นหลังจากผู้ปฏิบัติธรรมได้ดับตัญหาด้วยวิปัสสนาญาแล้วต่อมาจะสามารถดับอนุสัยกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงด้วยวิปัสสนาญานในอริยมรรคและเมื่ออนุสัยกิเลสดับ สภาวะธรรมอื่นๆมีตันหาเป็นต้นก็จะดับสนิทลงด้วยจะเห็นได้ว่าไม่มีคำสอนใดที่กล่าวว่าเพระเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะแม้พระอรหันต์ก็ไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดเวทนาได้เนื่องจากการสัมผัสทางอายตนะทั้งหกย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรม จึงต้องกำหนดรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนั้นๆให้เห็นตามจริงโดยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาด้วยความมุ่งหมายจะดับเหตุในปัจจุบันคือตัณหาและดับผลในอนาคตพร้อมทั้งตัดสังสารวัฏให้ขาดลงโดยชิ้นเชิง การจำแนกปฏิจจสมุปบาทโดยองค์ประกอบมีดังนี้ 1. ต้นเหตุสองได้แก่อวิชาความไม่รู้และตัณหาความทยานอยากสสัจจะสองได้แก่สมุทภยศาสตว์ความจริงเกี่ยวกับเหตุและทุกขศัสตร์ความจริงเกี่ยวกับทุกข์สา สังเขตสี่เป็นกลุ่ม4ี่คือ 3.1 อดีตเหตุได้แก่อวิชชาความไม่รู้สังขารการขนขวายกระทำกรรมตัณหาความทยานอยากอุปทานความยึดมั่นและกรรมภพเจตนาในการทำกรรม 3.2 ปัจจุบันผลได้แก่วิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะและเวทนา 3.3 ปัจจุบันเหตุได้แก่ตัณหาอุปทานกรรมภพอวิชชาสังขาร3าอนาคตผลได้แก่ชาติชารามรณะและวิญญาณ น, นามรูปเป็นต้นสี่ วัตตะ3คือ 4.1 กิเลสวัตรประกอบด้วยอวิชชาตันหาอุปทาน 4.2 กรรมวัตรประกอบด้วยกรรมภพและสังขาร 4.3 วิปากวัตรประกอบด้วยวิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะเวทนาชาชราและมรณนะ หสันธิ3คือที่เชื่อมต่อ3คือ 5.1 ที่เชื่อมต่อระหว่างอดีตเหตุกับปัจจุบันผล 5.2 ที่เชื่อมระหว่างปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุ 5.3 ที่เชื่อมระหว่างปัจจุบันเหตุกับอนาคตผล 6. องรมสิบสองพือ 6.1 จุหนึ่งอวิชา 6.2 จดสองสังขาร 6.3 จุดสวิญญาณ 6.4 จุดสนามรูป 6.5 จดห้าอายตนะห6จดผัสสะห7จุดเจ็ดเวทนา 6.8 จดตัณหา 6.9 จุดาอุปทาน 6.10 กรรมภพ 6.11 บชาติ 6.12 ชาชราและมรณะ7การ3คือ 7.1 อดีตการประกอบด้วยอวิชชาและสังขาร 7.2 ปัจจุบันการประกอบด้วยวิญญาณนามรูปอายตนะัสสะเวทนาตัณหาอุปทานกรรมพภพ เจ็ดจุดสามอนาคตการประกอบด้วยชาติชรามรณะแปดอาการยี่สิบคือแปดจุดหนึ่งอดีตเหตุห้าประกอบด้วยอวิชาตัญหาอุปทานสังขารกรรมภพแปดจุดสองปัจจุบันผลห้าประกอบด้วยวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนา 8.3 ปัจจุบันเหตุ5ประกอบด้วยตัณหาอุปทานกรรมภพอวิชชาสังขาร 8.4 อนาคตผล5ประกอบด้วยชาติชาราและมรณะวิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเหมือนปัจจุบันผล หน้าที่นี้ขอจบพระธรรมเทศนาในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทเพียงเท่านี้หวังว่าการสรุ ด, ดีพระพุทธคุณดังกล่าวจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสาธุชนผู้ฟังธรรมได้เจริญสัทธาในพระบรมศาสดาและหวังว่าท่านสาธุชนจะได้แรงบันดาลใจจากความเป็นผู้ไกลาจากกิเลสของพระอรหรันต์ ในการเอาชนะกิเลสด้วยการเจริญสติกำหนดรู้รูปนามปัจจุบันขณะที่ปรากฏทางทวารทั้งหกทำลายซี่กรรมแห่งวงล้อของภพและรักษาจิตให้บริสุทธิ์ในการทุกเมื่อเพื่อวันหนึ่งจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยอรหันตคุณอันประเสริฐ ดังได้พนานามาชนนี้